i mm t -hmm. uh หกสิบหกพระวัติาปัจจุบันสมัยเดือนกระดับกระดาคำบามาตเวลาเปนที่ยี่สิบเจ็ดวันพระงอัครบดีวันดียังเป็นปัจจุบันาวานพระพุทธศาสนาหยกการ นับจำเดิมเรื่อง่วันซะเด็ดดับคันปนด้านิพ้าแห่งองค์ทรงเด็จจะพู้มีประพาคอร ห, หันต์ธรมะสัมสพุทจเจ้าของเหล่านั้นมีในอันที่ท่านทั้งหลายจะพึงกำหนดดับ รับรัวยด้ประกาศเฉลยเตติตโซปากกวาอาหังวัจันทร เรวพระองค์นั้นเป็นการร่างกายจากเลือดเดกโซะกว่าครั้งงานพุทธวัดโซะพักกว่าจะพรมีประพัก เจ้าพระองค์นั้นเปอนผั้ตรรู้ได้โดยพระองค์เองเจติโสอภควาเวทชาจันทสังพันโรวาคาโสอภควา พระพักเจ้าพระองค์นั้นเปพถึงพร้อมดวยวิชและญาณาเอเตตพักกวสุขโตวันตาโพักวาพระภมิพระพัก เจ้าพระองค์นั้นเป็นโพธรันต์เป็นแล้วด้วยดีธิติเต แจงแจงนโมตระพระโะโตขาพระเจ้ากนอมนอมพระพมีพระพระเจ้าพระองค์นั้นอังอโตเขงเป็นโพกไรยะเกล็ทั้งอาทั้งปทศาชา ด, ด้วยพระองค์ครองนวตนาในกศุศลละเจตนาของท่านทั้งหลายที่จางใจกว้างพระัตธรรมมาเทศนา เพื่อจารนอ น, นกันประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดความโลภความโกรธความหลงให้หน้อยลงหรือหมดไปวันดีให้ทุกท่าน ตั้งใจสดับพระธรรมเพื่อปฏิบัติเป็นจิตตภาวนาเทาวายได้พระบาทคงเด็จพระเจ้าอยู่หวัวราชการที่สิบในวันที่ยี่ทิแปด เป็นวันเฉลิมพระชนมปันสาของพระองค์ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงประยาแลสนภพเป็นที่เปิ่มนอิิยินดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เพียงใดตั้งเจตที่จากความทำเพื่อถวายเป็นพระราชกักกาพระราชเจ้าโคตได้พระองค์ของไอพระองค์คลงประชนพระมายุยิ่งเยือนนายมีพระกระเรสมสำแาง โยภายใจแคลเวกัสสัตยัตตะบลังของพระองค์วันนี้อานาภาพเทอันเชิญพระทันอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงสระเดงเกิดชุนชาว โอ้โลกรรมบาธัมมนิคมโดยพระธรรมอันโปรดนั้นีลโสรดมหาสติปัจจานโธดมหาสติปัจจานโดนั้นเป็นสต่สมบูรณ บาีบุญเต็มเตี่ยมไปบุญไปด้วยขอ้อประพฤกิปฏิบัติทั้งสมาถะกัมมฐานและวิปัสสนากรมมทานที่พระองค์ทรงจัดแกติคตุทั้งหลาย ว่าภิกษุทั้งหลายกเธอต้องตั้งใจให้ดีวังให้ดีเราจะกล่าวทางนี้เป็นทางไปอันปเปิดเิยเป็นทางเอไปได้ในที่แห่งเดียว ไปได้เฉพาะผู้เดียวเพื่อความบริสุดหมดจดของเรนัยยศทั้งหลายเพื่อก้าวลวงช่งความเศร้าโศกความร้องไห้ความทุกขก์ย ความทุกข์ใหญ่ให้ดับไปซึ่งทุกข์และโทนบาหัตทั้งนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นทรรมที่นำออกจากทุกข์นั่นคืออาริยามักมีองค์แปดประการ ไปเตมบัดตามแนวบงอาสจตยปัดข้างขึ้นบาง า, าตย์ปัดข้างขึ้มีอะไรบางมีที่อย่างมาสตยปัดข้างขึ้มีที่อย่าง พระพุทธญาติว่าพระภิกษุภิกโุกายเยกายานุปถึกิมาราตาสัมปชัญญสัตติมาวิเนยโลกะ อาภิชาตมันัดสังพิโสในพระทังมในในเนี่ยิจตนาเห็นกายในกายเลืองเลื่องอยู่มีความเพียรมีความโลมีสติก้รจัด ความยินดีความยินรายในโลกให้ที่น่าไปหัวข้อของท่านทุกท่านควรที่จะจึดจันอาตาปีเพลี่ยนเผากิเลสบาป ท, ทันให้เรารลอน ฉันไปคราโนโรคตึกตัวทั่ประรคร้งติมาตั้งสติไวให้มันเื่อในยะโลกเกหาติชักตัวมาักิ่ง้งลายความยินดีความยินราย ในโลกไม่เท่านั้ไปเวทนาสภะเวทนาปนภะทีเวงายติอาตาติสันติญาณโอทติมาวิเนยะโลกเกอาติชาโทมานกสัง ในประทับวนในนี้ทิจงาให้เห็นเวทนาไม่เวทนาลืองลืองอยู่หรือเป็นประจันอาตาติเตีงโพปราณกิเลให้เรารอนการประจันรอรสตัวทั่วพร้อม สตมาตั้งสติให้มันวิเนียะโลเกะอภิชาโ ท, าทามานัดสังทั้งรายความยินดีความยินรายในยโลกให้เทียนาตไปพิโสในประทันในนีิพยนาญเจิด ในจิตเหนื่องเหนื่องอยู่มีความเพียรมีความรู้มีกติกามจัดความยินดีความยินรายในโลกให้เพียงนัดไปฤทธกสในประทังเดินนีน พิจารณธรรมในธรรมเลืองเลีองอยู่มีความเพียรมีความรู้มีสติตกำจัดความยินดีความยินรายในโลกให้ทีนงาไปว่ข้อทมทั้งสี่ประการนี้ คืออุเทศหัวข้อของทันที่ทุกท่านควรจะควรจะจดจำอาตาปีเพียงเผากิเลสบาปธรรมไม่ลรอนสังไตรจารลรถสิตัวทั่วพรองสติมาตั้งสติให้มัน ใวนยะโลกะอาภิชาอ ม, มานกสังตอนความยินดีความยินรายออกอยากเะดใจให้หมดนี่เป็นอุเทศโพจะเจริญจิตตภาวนาการเจริญ จิตตะภาวนาทุกทานควรที่จะตั้งใจเพื่อจะให้จิตใจนั้นสงบความสงบขอ ง, งจิตใจเป็นธรรมอันประเสริฐผู้จะสงบสงจิตใจต้องประกอบ ไปได้ดยสถานที่อันเป็นทับพยะคือที่สบายพระพุทธองค์ตรัสว่าอารัญยะกะโตวาใส่แล้วสุภาก็ดีลุกกมูลกะโตวาไปชูคนใหม่คนยาค้ากะโตวาไปชูเรือนวนัง สถานที่ทั้งสามประการนี้เป็นสถานที่เหมาะสมแต่ผู้ที่จะอบรมจิตตะาวนาทั้งสมธากรมมฐานและวิปัสสนาปัมมธานเป็นสถานที่อันกรบายแก่ร่างกายและจิตใจ เรียกว่าเป็นคาถาที่รับปัจจยเหมเาะสมในการอบร้อนประพฤติ ป, ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเคร่งหรึแจงหัดและวิเรกเมื่อได้คาถาที่พระพุทธองคึงกล่องตะวนันนิเคธนะ บัลังกลางมาพุชิตว่านั่งโคบัลังคือนั่งพัดมาตขวากคลอนายทั้งมือและเท้าและควรที่จะตั้งจิตอธิสฐานว่าจะนั่งให้จองที่สด ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่กลมไม่เงยที่พระองค์เรียว่าอุชงกั ย, ยังปะณิทายะคำว่าปาณิทายะคือตั้งปานิธานความปรารถนาว่าจะนั่งตายในง่จงให้ใหนึง่งไม่สงบ กายสงบวาจาสงบนี่คือถิ่นของพวกเธอนี่คือถิ่นของพวกท่านเป็นถิ่นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเที่งใดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเึ่งนั้นนับว่ายิ่งที่สุด ที่สุดแต่ที่สุดนี่คือเถินของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ีถนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติคือข้องามเป็นเถินท่านนาชาติกายสงบวาจะสงบทุกท่านมีถืนแล้ว แต่ยังไม่มีสมาธิการจะมีสมาธิต้องจเจริญจิตตะาวนาการเจริญจิตตะาวนานี่มีองค์ธรรมของาวนนาที่ประการที่ทุกท่านควรจะยำ เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาคำว่าอิทธิแปลว่าสำเร็จบาปเป็นที่ตั้งของความสำเร็จฉันทังชะเนติทุกทางยังความต่อใจให้บังเกิด ที่จเจริ่มจิตตะภาวนาวายามาติพยายามเพียนให้ตอนเรื่องเป็นประจำวิธียังมารับปติมารับความเพียรโยครังกรรมือจ ทางบักคันอาติปรธทางอาติประคองใจตั้งไว้ให้ตรองในอนาปานาสติคือประคองใจให้ตรงกับลมหายใจก็ประคองลมหายใจให้ตรงกับจิตใจ พระพุทธองค์กัตวาสโงสรทงบัดสะวะสติว่างเรศติไงใจข้าวคือร่มรู้ว่างไงใจข้าวตั้งกำรดาเราไงใจข้าว หายใจออกเป็นประจันแต่ไม่รู้ลอมหายใจไปรู้เรื่องอื่นตั้งเตนพระพุทธองค์ให้มีสติรู้ชัดได้ลอมหายใจส่อระโตบัดพระสะติเออย่มีสติหายใจออก เคยยั่งรู้ว่าหายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นการเจริญจิตหรือลมหายใจนั้นเป็นอาหารของจิตของทุกท่านตั้งใจให้อาหารของจิตเป็นประจัน จนกว่าจิตนั้นจะอิ่มจนกว่าจิตนั้นจะสงบหรือจิดมีความสุขลั่งไใจนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่มีสิ่งใดที่จะประเสิด ไม่ยิ่งกว่าลมหายใจทรัพย์สมบัติที่เป็นโลกียะก็ดีโลกุตระละก็ดีจะขึ้นอยู่กับลมหายใจของท่านทั้งหลายผู้มีสติในการกำหนดลมหายใจพระพุทธองค์จัดว่าเป็นผู้จเจริญทุกเมือ่อ และเป็นผู้มีอัปปมาธรทัคือผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ผู้เตนผู้เบิกบานในทางในมหาสติปัฏฐานสือหรือมหาสติปัฏฐานโคตรเลย และสับัติขพุทธเจ้าของสแสดงอนาปาณสติไหวแก่พุทธบริษัททั้งหลายเพียงสี่ขันท่านควรที่จะปฏิบัติทั้งที่ขั้นนี้ให้สมบูรณ์เป็นเ ป, เป็นการเปิดย่าตู ไปสู่ทังอันประเสริฐพระพุทธองค์ทรงตรัสที่ขังว่าปัชชาจันโตที่ขังปัจจารามิติปัจจานาติเมื่องหายใจเข้ายาว ให้หูชัดว่าหายใจเข้ายาวควรตั้งสติตั้งแต่อตอนลตั้งแต่ต้นลมกลางลมและที่ทุดกองลมหายใจเข้าให้ยาวให้แรงให้ลึกให้รู้สึกตัวทัวท่วทั่วพร้อม เมื่อหายใจเข้าสุดควรพักลมพักจิตนิดหนึ่งเพราะการพักเป็นการหายอ้างหาญเกจิตที่กลางว่าอัจฉริยตองทีกลางพัจจักสังติปชานาติ เมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวตั้งแต่กลายลมก้นลมกดของลมพอหายใจออกสุดไม่ควรพักเรียกหายใจเข้าให้รู้ ไม้เติมให้สดชื่นให้เบิกบานไม่ต้องทองไม่ต้องงับไม่ต้องหน็ดไม่ต้องเคิด็ดไม่ต้องบริกรรมเรื่องอื่นวางให้หมดที่ไม่วางคือลมหายใจ วระคัมภีร์ธมพุทธเจ้าคืนที่พระองค์พระทรงจัดสรูมโมกขธรรมหรืออนุตตระคัมภาร์ธรรมพุทธญาณพระองค์ทรงกำหนดอนาตาณสฏติเพียงอย่างเดียวถึงคิดบอกกันในคืนที่พระองค์ จะต้องจัดสรุปให้ท่างทั้งหลายคอนโทนลังหลายใจข้าวยาวออกยาวให้ท่านบังท่าเบิกกันเกิดอะไรขึ้นในการกำหนดลังหลายใจให้รู้ตรงไปตมงมา พ้ะพุทธเจ้าทองจัสว่าตัจะไปัญนาติิเกิดขึ้นด้วยประการใดให้โด้วยประการนั้นไม่ต้องทงใส่ไม่ต้องกังวลนเอย่างใดๆทั้งทีนควรกาห น, นด อาณาภาสติหายใจเข้ายาวออกยาวเป็นประจำตลอดการตลอดเวลาโดยท่านตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนแต่ธรรมาชาติของถึงทั้งปวงในโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลง มยธรรมะไรจันนพระพุจธองเจงกองจดว่ารัตรังวาอัจจาัโตรัตสังอัจจานติอัจจานติเมืองายใจเข้าชันให้รู้จัด วาาหายใจเข้าชันเวลาหายใจเข้าชันไม่ต้องตามข่าวลอมกระทบจุดใดให้ตั้งสติันไปสัญญาโลงในชัดในจุดนั้นเพราะการกระทบการสันผัด จะทำได้เกิดเวทนาสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีได้ทุกขได้ทุกขวามเวทนาก็ดีเกิดขึ้นด้วยประการใดให้รู้ด้วยประการนั้นถ้าเกิดทุกขก็ประคองใจให้ท้องทุกข ถ้าเกิดทุกข์ก็ประคองใจให้ตรงทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ประคองใจให้จงไม่ทุกขไม่ทุกข์รัดสร้างวาปะจานันโตรัดสร้างบัจจาระติประจานาติเหนือหายใจออกสัง ให้โลให้สติรละลึกโร่ให้ชัดว่าหายใจออกชันลำกระทบเวลาหายใจออกกอ็ทบก็ดีทบ ก, ก็ดีไม่ทกไม่ทบ ก, ก็ดีควรตั้งใจประคองใจตั้งไวไ้ในใจ ที่พระพุทธ อ, องค์จัว่าจิตตังปักกันอาติป่าทางอาิตต์แปของจิตตั้งไว้ในตรงแล้วจะรู้เองโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิด <c oughs> พระองค์งจึงทรงตรัสสับ ปัจจยปฏิสังเวกตอาศิตสมาธิจิตกติแต่ยามิตติหายใจเข้าเพื่อโลกร่กายทั้งปวงโกร่ก า, างทั้งหมดลมหาใจ ที่ประกอบไปด้วยสติสัไปชัญญะย่อได้ลึกกายทั้งบวงกายทั้งหลายกายทั้งหมดไปตามลงดับตั้งแต่ผมเป็นตนวยตลอดถึงอาการ สามสิสองประการนี่คือครองสร้างของร่างกายกลวงด้วยอนาปาคนาฏติสัพร า, ายกายปฏิจังเวทีอัตตสาสิตสามเวทิสิกาติเธอยบิสติ โรคกายทั้งปวงหายใจออกเป็นการปฏิโลมเพื่อโรคกายถอยถวนการลำดับในอาการการเจสองประการนี่คือกายทั้งหลายกายทั้งหมดจะรู้ด้วยอนาปานากติ ที่ทะลุทะลวงไปทุกทุกทวนตามลำดับและทวนกลับเป็นการเจริญกายกัตาติอันเพลิดเพลัจมพยังกายจังกายังปัจจคต าการเดเดกติเทอยามีตระติเพื่อละกายทั้งปวงละกายทั้งหมดหายใจเข้าพระรู้แล้วต้องวางรู้แล้วต้องปล่อยแลไม่หยุดมันไม่หยุดติดไน กายทั้งหลายกายทั้งหมดปัจจังทยังกายยังกายังปัจจักติทันติติสุขตเธอยามีสติง่าฉับเพื่อละกายทั้งปวงละกายทั้งหมด หายใจออกนีค right ouais ือการเจริญจิตตานุปัจนาถ้าจนกว่าจะเกิดอนุปัฏือก่อนที่จะเกิดอนุปัฏือของทานผู้เจริญอานาปานะติพระพุทธเจ้า ทงกระแดงไหวอิติอัตตังวากายกายาโนปสิวิราติส่อมพิจังาให้เห็นกายในกายทั้งภายในบ้าง มีเป็นขั้นที่หนึ่งกนที่จะเกิดมีปัคจัยยาณพังกิตาวากายะกายาโนปสีพงอาติอิจแนเห็นกายในกายเป็นภายนอกบางไม่ใช่นอกกาย คือที่กายและในกายที่กายเป็นกายนอกสานที่สารอิตุอัตสัตตังวากายเยกายาโน อ, อัตเถเวราวาติพิจนาเห็นกายในกาย ท้งภายในทั้งภายนอกบางมื่อก่อนที่จะเกิดยางเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างที่ให็นกายในกายเป็นธรรมชาติที่เป็นอริยสัจ อันเปรตพระพุทธองค์องคตัวาสระโมทัยธรรมโนปัจเทวากายัตสะงเงบนงองวาิจิยามพิจังณาเห็นกายในกายคือความเกิดขึ้น เป็นธรรมดาบา้างค้าวอานุปันธ์เกดิดเวปัจจานายานเรินในกายในของกายนั้นคืออะไรความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเบญจกัน เพื่อรูขันยนให้ยานรูยนให้ยานเห่นการที่จะเห็นรูปขันเราต้องไม่มีอัตตาตัวตนว่าไม่มีอัตตาตัวตนตัวสัมปชัญญะยอมเป็นยาน ตวจติรามอาศัยวาลึกโรคกันวโรคปังอนิจยังโรคใดไม่เที่ยงยะธานิจยังตังทุกขังโรคใดไม่เที่ยงยังทุกขังตัอ ง, งตอนัตตา โรบใดที่ไม่เทียงโรคนั้นเป็นทุกโรบใดทีเ่นนนเป็นทุกโรบ น, น, นั้ น, นเป็นอันตานี่คืออริยสัจอันประเสริเประโตมาโรธรรม อันเทืองไวยะธรรมาโนปเทวไะไยยศเมงยงอารติพิจนานเป็นทรนมนชาติเป็นธรรมดาคือความเทียมกองรูปนาม ก็เมื่อไหรก็เทืยมเพื่อนั้นเรียนความเทียมนั้นได้ชัดเจนเมื่อเรียนความเทียมายในของนนากายทุกทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาต้องมีความเทียมเทียมเหมือนกัน ไม่มีอะไรที่จะตั้งมันดังรองคงถืออย่างที่ตาเราเห็นวัว ย, ยะทัณโมุทยะวั ย, ยะทัณมบานโนปเทธธวากายะฌ า, า, านเวนอราติฌานพิจนา ให้เห hey, ็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาโ็ทั้งเปิดทั้งเปิดทั้งดับเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเพรไม่เห็นเพราะอวิชชามันปิดบางวั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 ของเสง่งเหล่านั้นทุกทุกโลกนี่เป็นกัจยะความจริงที่ท่านทั้งหลายจะเริยนจิตตะเิปัจจนาะจังเกิดอนุปัสสิวิปัจจานายาภพุตตะอองเจงทรงจตว่ายาวะ เหวาญาณมัตตายนิยังแต่สักวารู้ไม่ใช่เรารู้เพราะหมดอัตตาตัวตนของการยึดมันของการถือมันได้เบี่ยงกันว่าเป็นตัวตนของตนเป็นของของตน ถ้ายัางยุดมั่นถือมั่นอยู่ก็จะไม่เห็นในสัจจะญานี้ถ้าสัจจะญาณกางาความจริงเมือม่อหมดความยุดมัน่นมดความถือมัน่นก็จะเกอิดอ่างเกิดปัญญาเกิดวิชาเกดิดแสงสวา่าง โอ้นางยะไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีทิฏฐิความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนยะไม่เข้าไปยึดถือยะไม่เข้าไปยึดติดอย่างนี้แหละท่านทั้งหลาย ในเทิงทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทงังจัตวานจะปิณิโลกเกอบ ป, ปาทิยาติไม่มีเทิงใดๆทั้งปวงในโลกที่จะเข้าไปยึดถือที่จะเข้าไปยึดติด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 เห็นกายในกายอย่างนี้นี่เป็นทางไปอันประเสริฐเป็นที่ไปแห่งเดียวเพื่อความบริสุทดิอ ด, ดของเวรในญาต์ทั้งหลายเพื่อกาลวว ความเศร้าโศกความร้องไงห้ความทุกขก์ยความทุกข์ใหให้รับไปเส่งทุกข์และโทมานัดให้คธอทำอันถูกต้องเป็นธรรมที่จะนำออกจากทุกข์จากสากทุกข์ ชาญาทุกและมรารณาทุก์จึงบัตชาติความเกิดบัตชาติความแก่บัตชาติความตายที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะของสางตามที่อัตนาภาพรับประทานเวชชะนามา ก็จำควรเป็นการและเวลาเหมาะสมกับคาถาของท่านทั้งหลายจึงขอยุุติลงกลงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วย ป, ประการาชแกนี้สาธุ ขอตัณหาในปตัลลัเจตนาหาเทตัณทั้ทงหลายอาตัณน า, า, นามาเจริญพระธรรมเทศนาและทาวายพัตตางานเพลงแดชพระภิกษุและทาวายเทือนจั่งนำปัญญา ท้าไอสังขท า, านซึ่งเป็นทานอันประเสริฐที่ประสามากัลพุทธเจ้าทรงสันดันชนิทรงอันบทนาว่าเป็นทานเช่อมีผลมากมีอานิสงมากมีวิบาก อานประเสริฐประกอบได้เจตนาของทุกท่านบริสุทบริบูทั้งสามการก่อนที่จะถวายได้จัดเตรียมเครื่องไถยทานและชำระจิตใจให้เป็นบุญ เป็นกุศลประเัอจากความนันีปรเาเธอจากความโลกยินดีในการน้องตะวานได้เป็นปุพภะเจตนาที่พังใสบริสุทธิ์เป็นที่หวงของบนของกุศลไม่มีประมาณ ประการที่สองท่านโดยกล่าวคำเทาวาลัยและน้อนเทาวาลัยด้วยมือของท่านเองเราวบในทานที่เทาวาลัยกราบแด่ประสองโพรับทำให้กราบเปรตปรามอิ่มกายอิ่มใจรามโลด วางเปลง่ปใจบนกษสที่เป็นนามธรรมาย่อมพนาพนพอาผ่นลอรอเลืองจิตใจของทุกทานให้ส่้าัอบเย็นเป็นสุขทั้งอย่างเป็นอนุคามินริที่จะติดตามทุกทาน ไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติเพื่อให้เกิดความจะดวกให้เกิดความสบายให้เกิดประโยชน์และความขุกทุกการทุกเรื่งใหม่จะเป็นมุนจันนะเจตนาใหม่ที่ทองใสบริสุด เป็นที่รวมของบนของกสศไม่มีประมาณประการที่ส า, ทางท่านทั้งหลายได้ถวายแล้วจิตใจพองแผ้วองอาจกลางอาจร่าเริรงยินดีในทานบาราี ที่พระําไมบดีแล้วในพระพุทธศาสนาเพื่ออุปถัมภ์กัมชุนพระบ่าวพระพุทธศาสนาะให้เกิดรื่องรุง่งเรืองวัฒนธรรมทาวาัสูบสืดไปทั้งยังไดยเป็นปัจจัยอุปการ เดพระพิครง อ, องพ ร, ร, ร, ระองพระพุษเดพระัทวดาพระชัมบาันังทธเจ้าพระองค์นางทรงจัดวางวางนางที่เตยงย่อมยังมางหาจสังมดสาคอนตอนบริบูรณ์ได้สันใด เพมบริจากทานประกอบไปด้วยเจตนาอย่างใจทั้งสามการคืออภรพราเจตนาวอมสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งเที่ยงบริบูรณ์ไปด้วยบุญโดยกุศลันนันพระฉันนันขอทุกทาน ต้องปราถนาจ้องดำริขอความปราถนาความดำริของทุกทางจองเต็มรอบต้งเต็มบริบูณ์้องเต็มเตีนงไปบนระดุกดังดวงจันทร์เื่อจนกวงในวันเป็น ของกายวิยจาและจิตใจของทุกท่านจงปองใส่ในความสงบสมบเยนบิดกามันโคตรประับของพระเจ้าจักรพรรดิที่เกิดโดยวิญญาทิการฐานดารนี้ในวันนี้ ขอความประาถนาความร่ำรวของทุกขาจองสำหรัจจองสำเรัจและจองรารสำเรัจทุกประการโอกาสหนืออัตนาภาพแต่ในัางเรตาจิตเพื่อประเิฐ ป, ประสาทก็ตัวรปิตาปอนใจ ทั้งสี่ประการให้ทุกทัานมีอายุวันนะาสุ ข, ขพะพล่าใทุกท่านมีอายุยั่งยืนมีตัวพันสวยงามมีความคุบมากมีพลังกายว่า และจิตใจดับทุกดับโศกดับโรคดับไปให้ทิ้งไปหมดไปโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าโดยอนุภาพของพระธรรมโดยอนุภาพของพระสง์ โดยอนุภาพของการสินวนาที่ทุกกางประทันไปดีแล้วในพระพุทธศาสนามาเแมือนประหารอันหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยทัรชอบธรรมตกต้องตางธรรม และสมควรเกิดทำขอความประทานานนั้จงปลันทังเก็ดทุกประการโอกาสนี้ขอ้ทุกทานจงยกควนบนควนกุตรให้เกดคนพอคนหนาคนโปคนร่า คนตคยายคนยขทางทั้งหลายผู้มีอบ ป, ปราราคนและควรที่จะอุดิดเทายเป็นประวัติช ก, กาละประวัตเี ก, กุศลได้ถอนดักโปถอนดักยาเท่าเจ้าเป็นนางเธอ เจ้าพระกัลยาณิวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกราบลาธที่สวรรคตไปแล้วมาโดยรับส่วนบนุญกราบของทานทั้งหลายและขอดวงวิญญาณ ของพระองค์ทรงสรองสถิึกและดึกสาทานยังวิรมนานตามที่พระองค์ทงพระประทค์ตลอ ด, ด, ดทั้งสองเดชทั้งนางเ้าวฤกิ์และบรมราชาชนาราราชินรรชีนาพระบาทขรงเดชพระเจ้าโยฮัว ราชก า, ารที่สิบวันที่ยี่แปดเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือพระราชาชสมภพตลอดถึงพระราชนีสุติดาตลอดพระบ ร, รมวงพระนวงทุกทุกพระองค์ และโบ ร, ระพระมางอากศั์แห่งยักรีวงทุกทุกพระองค์ตลอดและสยามเทวาิราชที่คุ้มครองปกปองประเทศชาติให้เป็นเอกราชและมีความคุกสวัสดี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 ความก้าวหน้าความพาทุก ข, ของคนไทยทั้งประเทศและของบุคคลทั่วโลกก็เปิสันติสุขเปิดสันติภาตโอกาสนี้ขอให้พวกท่านโปรดตั้งกัลยาณจิตเพื่ออุดชุดกัลปนาผล ก่อนที่ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ไปให้กับบุพการีชนดียายนชนเอตายนชนจนตลอดทั้งคับประสัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนกอนายด้วยกันทั้งหมดทั้งเึ่น เหล่าใดวิญญาณดวงใดสัตว์ประเทศใดทจนตลอดตั้งเตดวิสัยนอนที่ยังไม่ทราบขออาราธนาทานผูอทอ้ทรงศีลสามาธิและปัญญาที่เป็นพระอริยเจ้าต้องนำข่าวกรถน บนชุ่ทานบำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ไปบอกกล่าวเมื่อทราบแล้วจงอันบ่ทงานโดยตนเองถออับนโปขนททุกคนทุกทางยกายเทาวายรูทึกในกล้งนี้เป็น สุขคติสุขสมบัติแห่งตนแห่งตนส่วนอัตมาภาพจะได้เจริญปัตตานมโมธนาใหม่ขอทุกท่านตั้งใจรับรตงกรวดนามแผ่เมตตาโอทิต ส, นนสร้างบนสร้างโกดัง เห้ทวารสมกันณโอกาสนี้สัพพะปัตาโนปเวนะโดยอนุปปเฮงพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุปเวนะ โดยอนุภาพแห่งพระทังทังโพวงข้าพเจ้ากันดยอนุภาพแห่งพระทังทังปวงข้าจ้ากันองข้าพเจังกันัง เห็รัตตานันอนุภพเหนได้โดยอนุภาพแห่งรัตตานันต์สามเกิดพุทธรัตตานันตธรรมบรัตตานัและสังกรัตตานั ชาติลาเทติจังต์ชาัิธรรมกันตาโนภาเวตาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมกันแปดหมื่นสี่พันเอตกาตยาโนภาเวตาโดยอนุภาพแห่งพระจตรปิก เช่นดาววะกานุอภาวไดาโดยอนุภาพแห่งพระราวกของพระชินด า, าวสัพเพเโลการับะารกทั้งหลายของท่านสัพเพเตพยาครับพารปทั้งหลายของท่าน ข้าพเจอันตรายข้าพเพาอันตรายทั้งหลายของทานข้าพเจ้าโอปัตตวะข้าพเจ้โอปัตตวาทั้งหลายของทานข้าพเต้าทนเมตตาข้าพเจ้าเมตไตรทั้งหลายของท่านข้าพเตอวบบังกลา ทราบพระอาวะสมองคนทั้งหลายของท่านเปนนาฏจนจบจองเพนาฏไปอายวัตจโกความเจริญอายุธานาวัตจโกความเจริญทรัพยเทวุวัตจโกความเจริญเทว ญาตวตดเจโกความเจริญยศภารวัตเจโกความเจริญกำลังรันวัตเจโกความเจริญเปลี่ยวันละทุกขวตเจโกความเจริญสุกขโทสะพราตา เราเมก่ทังง้งทั้งหลายในการทั้งปวงพุกขโรคภิาเวลาทรกครอคร อ, อไปแล้วเวนทั้งหลายครกรักจิตวปัสสนาการเข้ากขอก กัจจเร็งโอปัตตาวาทั้งหลายอานเดก้าอันกายาปิทั้งอันกายาทั้งหลายเป็นอนเดบเป็นอัจโจจะเจจะซาจงเปินทัตตไตรเดชชายาสุตตัลังลาตังชายาชนา ความสําเละครับลาชาติภักดิ์ังสกังก์พลังความรวัดดีความมิจกความทรุขและกาลังเทเราโยจ่าวันโยจ่าเทเรยโยและวันนาต้องการรถทจะรักเว ขอค่าความเจริญแล่ความเป็นพูมียศแก่จ้าพะอจ้อาโยชาแลอาโยยืนร้อยปีแกวัดทุเตพวันทุเตความรงำรทุนรเกดในความเป็นอย จอมวิเก้าะห์การจังไรทุกเมืออภาวะตัวทัพย์มบังตลงดทสัพย์ามบังคนจองมีแเครา์ทุกทานระดับตันทรัพระเทววจา ขอเรลาเทวดาจังปวงจงคุ้ครองรักษาทานข้าพพุทธานุปาวิดานุอปันภา แห่งพระพุทธเจ้าจังปวงท่าทยตัวธอภาวนตัวเธอขอความประวดเดืทัจงหลจงมีแต่ท่านจังหลายทุกเนื่อเผ่าตัวัพพรมง็หลังขอทัพพรมงคนจะมีแต่ทุกข์ั รักนตุสัพเทวตาข้าเล่าเทวดาจังโปังจงกุมวลางรักชาทนิรัพษาทั้งาลูภาเวนาโดยอานุภาพแห่งพระธรรจังโปังจะทด้ตัวที่เวนตัวเอขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแต่าทางจังลายทุกเมือ่ อ, อ, อ, อเพราว่าจกสับพัาบางกังกอสับผ้ามองคนจงมีแต่ทุกทานิละคันจกสับพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจังปวง จงคนกลองรับคราทานสะพานตังบานอุภเวนาโดยอนันอุปภาพแห่งพระจันจังพวงังกระดาโตเติเปรันกุเต้ต่อกวามรอสดีทั้งหลายจง า, างเมกะทัางทั้งหลายทุกเมือ่อภาวาจะโตจับพัมบังกะลัง ขอสัพพะมงคนจองมีแต ท, ทุกทานรักกันดุจับพะเจวะาตาขอเหล่าเทวดาจังปวงจองคุณนกองรักขาทานศรัทธาสังการุูปาเวิาลาโดยอนุภาพ แห่งพระสองจังปรวังท่าท่าตัวเธอประวันตัวเธต่ขอความประวัดดูทั้งหลายจอมีแต่ท่างทั้งหลายทุกเมือเธอ